รู้ตัวเองแล้วสบายตั้งแต่ครั้งอัตมามาปฏิบัติอยู่ในป่าก็ปฏิบัติอย่างนี้สอนสิทธิ์ทั้งหลายก็สอนอย่างนี้เพราะต้องการเห็นความจริงไม่ต้องการเห็นในตำราต้องการเห็นในใจเจ้าของว่าตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งที่คิดนั้นหรือยังเมื่อหลุดแล้วก็รู้จักเมื่อยังไม่หลุดก็พิจารณาเหตุผล จนรู้เรื่องของมันถ้ารู้เรื่องของมันก็หลุดเองถ้ามีอะไรมาอีกติดอะไรอีกก็พิจารณาสิ่งนั้นอีกไม่หลุดไม่ไปย้ำมันอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนเสียอัตมาชอบให้เป็นอย่างนั้นในตัวเองเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายรู้เฉพาะตน ก็ต้องหาเอาจากเจ้าของให้รู้จากตัวเองนี่แหละถ้าเชื่อตัวเองก็รู้สึกสบายเขาว่าไม่ดีก็สบายเขาว่าดีก็สบายเขาจะว่าอย่างไรก็สบายอยู่เพราะอะไรจึงสบายเพราะรู้ตัวเองถ้าคนอื่นว่าเราดีแต่เราไม่ดีเราจะเชื่อเขาอย่างนั้นหรือเราก็ไม่เชื่อเขาเราปฏิบัติของเราอยู่ คนไม่เชื่อตนเองเมื่อเขาว่าดีก็ดีตามเขาก็เป็นบ้าไปอย่างนั้นถ้าเขาว่าชั่วเราก็ดูเรามันไม่ใช่หรอกเขาว่าเราทาผิดแต่เราไม่ผิดดังเขาว่าเขาพูดไม่ถูกก็ไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไมเพราะเขาพูดไม่ถูกตามความเป็นจริงถ้าเราผิดดังเขาก็ถูกดังเขาว่าและไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไมอีก ถ้าคิดได้ดังนี้รู้สึกว่าสบายจริงๆมันเลยไม่มีอะไรผิดล้วนจะเป็นธรรมทั้งหมดอัตมาปฏิบัติอย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันลัดรงจริงๆแม้จะเอาธรรมะธรรมโมหรืออภิธรรมมาเถียงอัตมาก็ไม่เถียงไม่เถียงหรอกให้แต่เหตุผลเท่านั้นให้เข้าใจเสว่าเรื่องปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าให้วางทั้งหมด วางอย่างรู้มีใช่ว่าวางอย่างไม่รู้จะวางอย่างควายอย่างวัวไม่เอาใจใส่อย่างนี้ไม่ถูกวางเพราะการรู้สมมุติบัญญตัติความไม่ยึด